ก้ามเจ็ยบไขได้ปวยเนี่ยมีอยู่เรื่อยก็มีอยู่เรื่อยมีอยู่สยงามมีอยู่กับทุกคนโเลือกเนี่ยเหลือกเวล่ำเวล่าโเหลือกกลางเว่นกลางคืนโอ้ยคอยกำลังเขาไปนั่งทายอยู่จะ่ะเป่าปวยเขาสันบ่ได้เด็่แม้บป่ปวยกินเขาอยู่ให้กินเผาเหลวก็ยังปวยไ่่สันกับบ่ได้ดูสิ มันมีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไอ้คนนี้ย่างซ้อมบป็นเจ้ของจะเตรียมใจเจ้ของไว้เรื่อยๆเนี่ยมันเั้งบริจาค้อมเข้าม้วนต่หัวส้าแนวอื่นเนี่นมวนไปเต็ะแ น, นวอืน่นเล่ยโมกุจักอันของจริงอันนี้มันมาปากกดแล้วเล่ยโมกุจักเนีย่ยอันมันคงนบเจ้าของเต็มหัวส้าแนวอื่นคนบน้บานี่ยแบมาเห็นมึงกะกโอ้ยากมันนเนี่ย ย่านท้องฉินขนฉิงเหมือนม้นมาอยู่นัเ่เปฟองโดนแล้วไปพ่อกนันตื่นกันท่านตื่นขุนเจ็บไข่ได้ป่วยตื่นยี่านมันทีแท้มันมา้าต้องการจะขุ้นจะมือออกจากพ่อจากแม่ไปไป่อ ม, มือยังทีแหละหมันว่ามันว่ามันหี่มาหลักมาเด็มันกับมาอยู่นั่เข้าตลอดเข้าหันมองวันข้าสื่อ มดซ้อมบริบูรเขาอย่ำเขาเด็กน้อยเขากับผนมวนไปแนวนึงพราเป็นนมเป็นสามกับมวลสีแนวนึงคะเนี่ยแล้บริซ้อมอีหละ่ะมาเท่ามาแล้วในมมวนแน ว, วนั้ น, นมันน่อยาเนี้ยข้มแนวนั้นแนวมันมันน่อยมันมันไดมากเลนกลับขึ้นมามาซ้อมเจ้าของที่วัดโอ้ยมีเต่แนวก็นจะคลุกเป็นจะยาก เจ็บใครได้ปวยเกลือจังมันหลายเวอร์ชนเจ็บใครได้ปวยเกลือขึ้นไปได้ไงเนี่ยคึ้นไปว่าโอ้ยต่กี้ก็เพรเป็นหยังต่กี้เกลืแข่งแรงยู่วฟวคุ้จังสิบมีปวยนี่แหละต่ก่านี่บันมาเห็นบานนี้มันหลแลยโอ้ยคนปวยเนี่ยน้าปวยเจ็บมือหนึ่งสีหนึ่งสองตีหนึงคนตายตัําบัวค่วงจริงมันปวยมาโดนแล้ว ปุ้ยมันั่งจับมันดนแล้วละ่ ะ, ะเจะเี๋ของหายโมฮัวซ่าเือ น, นี่จะเป็นโมัวซ่ามวนมวนนั่นมวนนี่บัดพอดงี้มันเผาแง่ความวลมันละเมิดนี้ฮะนี่ควบมวนเมด่อเลยเดียวมาซ่อมมึงกระชากเลยนี่นี่จะสวมเจ็ตไข่ได้ปยวยฮะนี่กองอาญากินีโลกนั่นจะเปลี่ยนโลกนี่จะเปลี่ยนฮะนี่ โลกอันไปเห็นแต่เขาเปลี่ยนยี่ล่งพญานาคบานเห็นแต่ด้ยิ่งแต่บาบ้านอื่นเมืองอื่นก็เปลี่ยนเจ้าของกับผันเปลียนมะเนี่ยอ่านี่เช่นละมันหลายอย่างเช่นไอ้เขาคิดหม่ได้ซ้อมใหม่ผู้ใดว่ดท่นซ่อมเป็นนุ่มเป็นน้อยอยู่เป็นว่ดท่านเข่ากันเลยแต่อมได้ไอ้เสื้อพวกคุทีเจ้าหลดนนะว่าเรามีคว้นเจ็บไขยเป็นธรรมดา มีข้อมเทียบขวอมป่วยเป็นธรรมดามีขวอมเฒ่าเป็นธรรมดามีข้อมตายเป็นธรรมดาอีหมายขวอมมันธรรมดากับทุขภูทุกคนมันก็เป็นเมืองกันลาและสมัยธรรมดาเนรราี่ยเกิไปแต่ว่ามันเป็นอยู่สุดเนี้ยเห็นไหมไอ้ซ่อมเด้ออันบมซ่อมบางทีไปตื่นมันดีละมาถอดคุ้มมาก ค้ะซ่อมอยู่เร่อยๆครับผูกจัดยวว่าเาเจ้าเก็บไข่ได้ควันเต็นมากเต็ม น, น้ากันซวนี่มันบ่ย่านกันดอกย่านหรอมบ่ยานบันไดมันพ้นมันลึ่งกันอยู่ไหมนี่แหละวิธีที่ยืนหน้าเป็นว่าเรามีความแฉะเป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข่เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาจะล่ลวงค้นความตายไปไม่ได้นี่แหละเห็นพิจารณาไอ้ที่เลย การเข้ามานางอยูสี่นี่ยเท้ากับปนต้อมไปแทนเอาอื่นเนี่ยเนี่ยหูมือไปแทนเอาอื่นมวไปแทนเอาอื่นฟั้งจะปูอื่นให่เท้าขุกนี้ตาหมีไปเลี้ยวไปแทอื่นหูฟังหูมีก็ฟังไปแทนอื่นหละใจก็ขึ้นไปกทอื่นนั่กันมันคาดทนแนวอื่นบัดนมากมันสมวลอแนวอื่นมันมันมวลบไหวลมันเต้ามวลเลยัะเนี่ยยังคอยัวเนี่ยกขาสมารุมเจ้าของไเฮ้ย ก็เลยเห็นว่าของพิมพ์มากนั่นกับของโภกติเนี้ยเป็นของประหลาดซะที่วันนี้ใช่คือแต่หน้าเน้่ยคือเท้าสวดหนึ่งที่เพิ่นเอามาให้สวดเนี่ยมือเต้านี่ตีดสวดแล้วมือก็ตีดสวดอยู่เอีมันมันบระมาณคนเบาเห่นเนี่ยเพี่ยนเอามาให้เท้าเเววเเวาไปล้วคิดแต่นําแน่คิดมันต้องควมำสวดหนึ่ง ซ้อมไปนั่นคุนว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงคนความแก่ไปไม่ได้ซ่อมไปนั่นซ้อมไปอย่าฟ้องเนี่ยเราแก่บน้อสิเนี่ยมันซ่อมไปแล้วมันจะเห็นหรือไมโอ้ยมันแก่อยู่ิ่งข่วมแก่ข่วมเท่าเทอกันแหละโบแมนมันอายุเย็ดทิศเลยที่มันไม่จัเท่าคนโลดขึนมาหลุดโบแมนมันสั่นเลย มันเท่าม่เรื่อยเด้มันมานมักันเท่ามาเท่ามากเ่ามากลมยหลเจ้าของบริษัทซ่อมหมดลายละเห็นไหมซ่อมมึงโหเท่าแล้วปะวาที่แท้มันเท่ามากเหนีหมล้วเขาสมุดปรามือนี่เนื้อไปนี่จะเท่าไปแล้วมื่อึนี่ยไม่ใช่สี่แล้วมันพรมกันหลายหลายหลายหลายเท่ามันก็ได้หลายมันเท่าพนินยามซ่อมยเรื่อยซ่อมเือเล็กเะือหน่อยซ่อมหลายๆพรมกันแบบมันอแ่หลายเท่านี่ การซ่อมดูดูนี่มันเป็นกำลังของใจกำลังของใจนี่แหละที่ไปชู ก, กับความแก่ข่วงแก่ข่วงสายได้ทีนี้เรื่องมันยันยังอยู่ซื่อๆอะไร